ห้ามมันไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็เจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการมีวันหนึ่งเปบินทบาทมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเขามาใส่บาทม า, าตักบาทใส่เราตักโรคตักภัยให้หลวงพ่อนะถวายเอาโรคภัยไข้เจ็บถวายนะอีวันเราไม่สบายไปเลยนะตอนนั้นผู้บาาอ้ายยังไม่ได้บวชนะ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 เหมือนเหมือนจะได้แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้อย่างใจมีความสุขขึ้นมาชัว่วคราวช่วคราวความสุขก็หายไปอีกอะไรๆในชีวิตเรานี้เป็นของชัว่วคราวะฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้นะฝึกบ่อยๆแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะถ้าเราเห็นในกายนี้เป็มไปด้วยความทุกข์จิตใจนี้ก็มีแต่ความชัว่วคราวทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เป็นไปตามใจอยากนะ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 ถ้าภาวนาเป็นนะดูจิต ด, ดูใจเป็นจะเห็น่จิตโดดสะทุบอารมณ์ทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งคืนไวั้นสะทุบขึ้นมาตีอไรความทุกข์เกิดขึ้นเป็นภาระขึ้นมาทุกปีแต่ถ้าจิตใจได้รับการฝึกหัดนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรืยไปมันเห็นในทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะย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 เนี่ยค่อยๆฝึก ค, ค่อยๆดูไปอย่าใจลอยคนเราส่วนใหญ่ชอบใจลอยใจลอยแล้วก็ลืมกายลืมใจไม่ได้รู้กายรู้ใจต้องคอยรู้กายต้องคอยรู้ใจบ่อยๆเราเคยได้ยินคำว่ามรคนิพพา น, นอยากมีมรมีผลขึ้นมานะต้องรู้กายรู้ใจไม่มีทางเลือกที่สองไม่ใช่ไปร้องขอขอให้ได้มรได้ผลใส่บาตรแล้วก็ขอนะนิพพานนปัจโยโตโุขอไปเถิดพระที่รับบาตก็ยัง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 หลวงพ่อเรียนรัทธศาสตร์เหมือนท่านแหนมเพอเนี่ยแหนมเพอได้รุ่นพี่หลวงพ่อปีท่านสุรินเพราะลัทศาสตร์มีอยู่กลุ่มและชอบกินเหล้าน่อยเวลาจะกินเหล้าลต้องชวนเพื่อนไปกินด้วยมันอ้างพุทธภาษิตได้นะบอกว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขนมะ่มีพุทธภาษิตนะลองลองนัง่งรบกันมีเพื่อนคืติเวลาจะกินเหล้าใช่ไหมก็ต้องจิตใจวุนว่นวาย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 สังเกตจิตสัเกตใจไปก็พ้นทุกไปด้วยกันแล้วไนดะ้ค่อยๆฝึดไปน ะ, ะเทศเท่านี้ก็พอแล้วนะเทศเยอะเราขี้เกียจฟังนะมีใครจะคุยไหมมีใครจะคุยไหมหลวงพ่อชอบนะเวทีขนาดนี้เปเทศแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะควรเป็นพันพันสองพันสามพันห้าพันเนาเทศแล้วมันห่างไกล อย่างนี้ดูใกล้ชิด น, นะใครชอบบอกเรื่อยว่าเข้าไม่ถึงหลวงพ่อวันนี้เข้าถึงแล้วมีอะไรคุยไหมหลวงพ่อให้เงินา ม, มาเลยได้สมัยนี้นักศึกษาหลวงพ่อครับผมเคยส่งไปบ้านกับหลวงพ่อเมื่อประมาณหเดือนที่แล้วนะครับล่าสุดก็หลวงพ่อให้ไล่ไปเรืนอยๆนะครับเพราะว่าติดเพ่งครับก็ พยายามก็ผ่อนคลายลงมาครับจนวันหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรก็ขับรถอยู่ประกุตรู้สึกว่ามันเห็นการทํางานแล้วก็มีจิตใจทํางานแล้วก็ ม, มีมีตัวรู้อยู่อย่านี้ครับหลวงพ่อครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นหรอกมันเกิดขึ้นจริงสิรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนไป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 เราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เราไปว่าภาพการปฏิบัติไว้ผิดความจริงว่าต้องเพ่งเนี่ยมันคือสีชี้ไฟเพ่งมานานเราก็ชินหนึ่งเราไม่ชินแค่ได้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้บ่อยๆรู้บ่อยจนกระทังมันเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมารู้โดยไม่จงใจที่คุณว่าสังคับรถรู้สึกไหมไม่ได้จงใจเสร็จแล้วขันมันแยกออกไปนะกายก็ส่วนกายใช่ไหม mm hmm. เห็นกายขับรถไป mm hmm. เห็นจิตเป็นคนดูไป จะเห็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปเป็นโคล่านโคล่านกันหมดนะดังนั้นเนะราดูว่ารตรงนั้นันเกิดปุ๊บผมก็กลายเป็นดีใจแทนเพราว่านี่เองที่ที่หักนะเปนานานแล้วหายไปเลยครับดีใจแล้วรู้ว่าดีใจนะถ้าอยากให้เป็นจะไม่เป็นครันะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูเล่นๆไปเรื่อยถึงเวลาที่เขาพอสมควรแนละ้วเขาก็เห็นเองกลับไปเห็นทั้งมันนะ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 ดีเท่านะมโหธาะขอบพระคุณถึงท่านแหลมเผอท่านยกมือเดี๋ยวงานเดือนไม่ขึ้นการบการราชารนั้นอยู่ตรงก้อได้อ่านหนงือแล้วก็ฟังีวีมาหลาเรียองนะครับเราพยายามก็เห็นความไม่ค่อยดีไม่ดีของตัวเองหลาย่าง้นงทก็ดไม่ถึงกรลด ต้องมีครบนะอาจารย์ต้องมีทั้งทั้งหลงทั้งเพงทั้งแรกแซงทั้งบังคับอะไนะครับอาจารย์เราแค่รู้เราไม่บังคับเขานะไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งรู้ว่าเพง่งเราจะเห็นเลยจิตจะหลงเขาก็หลงของเขาเองอย่างจิตเราเคยฝึกเพ่งมาพอเผลอๆ พ, พอคิดถึงปฏิบัติเมื่อหร่ก็จะเพ่งอีกเขาเป็นไปนตามความเคยชินนะ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 ในใว่าที่ร้านฉันเป็นร้านขายยาจมีพวกที่มีปัญหาทางจิตมาซื้ยาแล้วก็องการให้เราปลอบใจแล้วก็รักาให้เราตรสารษาจิตด้วยเนี่ยก็สมีเองก็ไม่ตามนะคุยกันหลายชัวโมเลยทีอยากจะให้ข้อความดีๆกับเว่าเอทีดีดูพ่อไปแจกเข้าไปที่บ้านแจกหรือว่าแจกแผ่นไหนดีคะแผ่นไหนก็ได้เหยกันทุกแผ่นเท่หมก็ทุกวันคือคนเครียดนะนี่เป็นเท่ให้จิตแพทย์ฟัง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 เรมีบุญได้ซีดีมาแข่บางเอื้อนไม่มีได้ร้องแข่งก็แบบเปิดฟังบ่อยมากะเดี๋ยววันนี้ได้อีกแข่งแล้วเดียววันี้ก็ไปเปิดเว็บไซต์ทั้นะคะก็อยักจะไปเปรียบทางที่ของพ่อมากเลยก็วันนั้นพอดีบางเ อ, อ, อิ้กนก็นกนกนดนได้บ <c oughs> างเอิ้อีกแล้วทัวรลูกสาวก็ขับรถไปถึงาเห็นไหมเรามีเจตนาเห็นไหม เจอลูกสาวขับรถไปที่มีพังเอื้อนมีแต่กรรมลแบบ้วนๆเลยแต่วัดอีกนะโอ้นี่ไม่ได้เปิดข้อมูลเปิดดูไม่ไม่หมดอันนี้นก็กลับมาบ้านก็มาดูคือไอท้ที่ตาปฏิบัติทำแบบจะไม่ดีเลยนะก็แบบมันจะยามามากเวลครับปีห้าสีห้าห้าอะเหรออย่วัดอยู่ 5, 4, 5, 5. ท, ที่ไปอยู่วัดเหรอปีหกหนึ่งต่างหาก แต่ตอนี้หลวพอปิดแล้วไม่ได้ให้จองโยงอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ขับรถไปฟางนี่แหละให้น้องเขาพาไปคนมัน้องไปเที่ยวเยอะแยะนะคนเมืองชนไม่ไปฮายเขานะเข้ามาสั่งตัวประเทศเลยแล้วมีปัญหาอะไรพ่อคะถ้าเกิดได้บางทีนั่ที่มีโยงอยู่คนในพนที่หลวพ่อ บอกว่าที่เขาทาไม่เต็ม น, นะแล้วเขาปฏิบัติเอาจากที่เขาได้ทําเป็นชีวิตประจำวันเราปฏิบัติแต่นั้นก็ได้ได้ได้ฝึกในชีวิตประจำวันนะนนนะเราพอรู้ตังต้งแต่ตื่นเลยเป็นแค่ราชการหรือเปล่าเป็นแค่เป็นาาานาลองนึกดูสิตื่นเช้าวันจนันทร์ความรู้สึกไม่เหมือนตอนตื่นเช้าวันศุกร์รู้สึกไหเนี่ยเราคอยวัดใจตัวเองไปร่อยหลวงพ่อรู้ดีเลยเพราะเป็นราชาการมานา น, น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 ถึงตรงนั้นแล้มันดีจริงๆใจลอยรู้จัะใจลอยไหมเออใจลอยก็คือลการลุดใจเคยส่งคำว่าของพ่อนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าใจว่างเสียเวลาถ้าเกิดดีกว่านันนะคะเวลาเมื่อไรกัจุบันี่นะคะดีขึ้นแล้วดูสึกรู้สึกไหมมันกลับมาอยู่กับโลกได้เยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหมแล้วไปอยู่ว่างๆไม่มีอะไรสบายไปเผลอๆไปวันๆเท่านี้ หน้าที่ของเราชาวพุทธนะไม่ใช่ไปวิ่งหาความสุขในความว่างๆนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้กายรู้ใจให้เราเจริญสติปัฏฐานนะเราคอยดูกายทํางานดูใจมันทํางานอย่าตอนนี้ใจไปคิดรับไหมใจไปคิดที่รู้ทันเมื่อใจมันไปคิดนะ<ม>คอยรู้เรื่อๆจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นละ<ม>รู้สึกตัวไหมว่ามันดีขึ้น<ม>รู้สึกไหมว่ากิเลสเกิดบ่อย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 สวัสคุณพ่อสดีสวัสดีภูมคือคูมขึ้นมาชนิดภาษาคือคูมาภาวนาไปแล้วมันมันดีมาที่ตายมันเป็นปกติแต่เวลาเรียนภาษาแรงๆแล้วมันมันกระทบตัดมันรู้ไม่ได้ครนะับภาษาแรงๆ แ, แล้วมันเหมือนบททดสอบเรานะถ้าภาษาแรงขึ้นมาแล้วเราก็ทําไม่ได้แ ส, สดงว่าเรายังฝึก น, น้อยไป ก็จะไปด้านียร์นเราก็ดูบ่อยๆนะดูให้มากวันนี้ยังไม่เก่งไม่เป็นไรดูบ่อยๆวันนั่งก็เก่งอย่างบางคนไม่ค่อยมีอะไรมากระทบนะบอกใจสงบอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่เก่งจริงอะ่ะต้องทดสอบนะตอนที่มีอารมณ์แรงๆมากระทบเราผิดหวังแรงๆเสียใจแรงๆเราจะรู้เลยว่าเราภานาได้ขนาดไหนที่ภานาอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีสังเกตไหมใจมันแยกออกไปใช่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 ไม่มีเราความทุกขที่ไม่ผ่านน่ะแตมัประการเรพ่อครับว่าไงรู้สึกตื่นยต้นนธรรมดาผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติไมรู้เป็นไงครับแต่ว่าความอยากลดน้อยลงวันนี้ดีขึ้นสิบใจมันโปร่งร่องเบามากขึ้นรูได้รู้ตัวได้บ่อยขึ้นคอยดูมันทํางานดูมันทํางานไปเรื่อยๆไม่บังคับนะ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 ถึงได้แบบหนึ่งนะเดี๋ยวก็หลงใหม่เชิญ ก, การจะมาต้องการหลวงพ่อค่ะก็คือเอือ่อประมาณวันสองสาวันมาแล้ยค่ะมีโอกาสช่วงดีที่ได้ช่งดีไม่มีนะคือได้ฟัง CD ของหลวงพ่อค่ะประมาณก็ือสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็ได้เป็นที่วัดโนงอาทิตย์นะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเ อ, อมันธรคํามันเปเรื่องที่ใกล้ตัวเร า, ามาแล้วเราก็อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ทีนที้ว่า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 ความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเพราะ้นเรารู้ว่าอย่างมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆชอบหายใจครับรู้ลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขเพราะเราหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วน้อมให้ซึมนะหายใจแล้วรู้สึกตัวายใจนี่ไม่หนีไปไห น, ใ, นใจสงบใจมันมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตนั้นเหมือนเด็ก่ะเด็กซนๆห น, นีไปจากบ้าน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 ม, ม, มีสติๆแล้วสุขมั้ไม่มีนะถ้บาบังคับอะถ้ามันสงบไปตามรู้ตามดูแล้วมันสงบลงไปไม่มีความสุขนะงั้นอย่าไปวิ่งด้วยการบังคับเลยเหนื่อยมาๆเรามาัูทางรรงค่ะเอเรอาได้ตัวาัไปที่เ พ, พื่อปฏิธมมาค่ะแล้วทันี้ผมเอหาคําเทีมาว่า นอนนิ่งสงบแล้วมีช่วงเงียี่บนอนหลักแล้วรู้เห็นจิตของมูเกาะไว้แตอืแล้วปอนู่สองครั้งคครั้งที่สองนี่มีความเหมือนกับว่าได้ยินเสียงของพ่ออ่ะว่าตอนนั้นเกิดภาวะที่ตกใจแล้วก็ได้มีเสียงของพ่อว่ากลัวให้รู้ว่ากลัวเออก็างนั้นแหละแล้มันก็เหมือนกั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 แค่แๆคๆ่ภานามไม่ยากอะไรการปฏิบัติทําง่ายจะตายไปถามเรื่อการของพ่อค่ะเคยส่งการต้องพ่ อ, พอครั้งเมื่่ะอยากดูว่าตอนนี้อนูแกาแม่ <c oughs> ้างไหมคะหนูพ่อจําไม่ได้ว่าครั้งก่อนทํากันได้ไม่เท่าไหร่ท่าเคยบอกว่าอ่าวนาดีค่ะแต่ไม่มแน่ใจตัวเองว่าตอนนี้น ไ, ปไปดูไปดูใจที่ฟุ้สซ้านนะใจมันฟุ้สซ้านเก่งรู้สึกไหม <c oughs> นะ ใจฟูซ่าน ร, รู้ว่าใจารูซ่านดูอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่ามันเหกับรูปโผล่รูปบ่อยมากนั่นแหละได้รู้ทันนะมันไปฟูฟูฟูปไปมันหุ่นหะยิบแล้วแล้วเวลาเรามีความสุขไหมเห็ น, น ไ, ไหมมันสั้นนิดเดียวความสุขมันสั้นนิดเดียวรู้สึกไหมในบางครั้งมันซึ้งซึมันมีความสุขอ่ะมันแค่เราติดสุขไห้คไม่ติดหอกเราภานาแล้วมีความสุข ข, ขึ้นมาเหรอ ในบาครั้งมาบ้านมันลงเพลินนะคะใช่เพลินไม่เอาผิดแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะต้องรู้กายรู้ปาต้องรู้กายรู้ใจนะถ้ามีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะไม่ใช่มีความสุขแล้วเพลินเินนะแล้วากขออน่อยค่หนูได้ไป่านตามทีวีที่ได้ไปฟมาแตว่า กมีคนคิดบ้างก็มีชาวว่าตอนที่คิดว่ า, า, า, าวตัวเองรู้ยังชาวว่าวรู้รู้ว่าคิดก็รู้ก็รู้สิเป็นเกียรติไม่ใช่เราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมใ่เราโปร่งโรคเบารู้เนื้อรู้ตัวแลื่ไปขึ้นไ ป, ข, นปขึ้นนะถ้าเราพาวนาถูกต้องมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้แล้วพัฒนาเร็วด้วยไม่ใช่ช้านะไม่ใช่ทําอะไรปีเหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมแสดงว่าทํำผิดอะไร แล้วก็สะเทืนไปต่ออย่างนี้เรื่อยๆดือดไปเรื่อยๆนะเพรามันโมหะยิ่งแย่ไปเลยโมหะตัวเดียวก็รู้ไปโมโหขึ้นมาก็รู้ไปใค่ใจลอยบ้างมีไหมใใจลอยใจลอยใจลอยอ๋อใช่ได้หลวงพ่อเปี่ยนตัวหนาขยุกใช้ได้ถ้ารู้จักใจลอยแล้วภาวนาง่ายแะ คำของผมพ่อครับคือบอกผมเ่องคำถามสุดานะครับก็คือผมฟังดีๆของวงพมาก็หลาเรือนยังไม่เคยมีเลยหามคำถามที่ผมจถามหลว่อเลยนะครับไ่าันกจะปรบนหพาเวลาหว่าเวลาผมนอนหลับเนี่ยฝัน้ากายเไปแก้ยังไงจิตจิตฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะร่างกายไม่สบายก็ฝันนะ ใจเรากังว hmm, mm ันเรื่ยมหมกมุ่นอะไรมามากๆมันก็ฝันเพื่อระบายความเครียดก็ได้ะเหตุของความฝันมีทั้งหลายอย่างคือแต่ก่อนมั้นก็เป็นนะออผมคิดว่าผมทำสมาธิผิวิธีเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอวีดีโอของพ่อครับผมก็คือฟังของหลวงพ่อและเรียนรู้เลยว่าเมื่อได้่ปฏิบัติก่อนมาผิดหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ทำให้มันแต่ว่ามันเป็นฝันแบบคลื่น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 มันพักผ่อนพอสมควรแล้วนะมันก็ขึ้นมาคิดอันนี้หมายถึงกรณีปกตินะถ้าอย่างร่างกายไม่สบายอะไรเงี้บางทีก็ฝันฟุ้งแต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าพอไล้รับเอเดนมาแล้ ว, ล เ, วลเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ได้นอนเลยเทียบว่าต้องนก็โผล่หัวเลื่นหัวทื่มันเป็นอย่างนี้มาสองสมเดือนแล้วคือเก็แบบนี่อยากจะดูหลวงพ่อมากเลยอ่ะก็หลงพ่อหลวงยาหลวงคือคือคือจริงจริงไม่ยากอะไรนะ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 จิตมันจัด ก, กายมันแยกออกมาหรือสวยไหมกายมันนอนบางทีกายมันกลนได้ด้วยนะเ อ, อ่ดูออกไหมนะจิตมันอยู่ต่างหากสติของคุณดีไม่ใช่เป็นปัญหานะเพียงแต่ว่าเราเคยชินที่จะนอนนานๆไม่รู้เรื่องไม่รู้แน่ ร, รู้ตัวเราเคยชินอย่างนั้นเราบ้าอย่างนั้นดีจบละมั่งไม่มีแล้วนี่ทางเวลาของนิจจังหวัดชนบุรี ในมารังประธานของอาจารย์สมโภชสมโภชโชคก็ขอญาติการขอบพระคุณอาจารย์สมโภชสมโภชโชนโอกาสนี้นะครับที่ได้ยุนาให้เวลากบอนุกศึกษาก็ทูนประธรรม ภาวนานะภาวนาไม่มีอะไรดีเท่าภาวนาเองวันหนึ่งต้องพนทุกข์ให้ได้นะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์ตลอดกาลถ้าภาวนาวันนึงเราพ้นทุกข์เกิดได้เลยเี่ยวล่อไปก่อนเราต้องให้พอน่อ่อนหินไทยไปพูดแนะเข้าวองการนี้ขึ้้ไทขึ้ไททาแบบ ตั้งใจนะตัใจทำใจให้สงบบุทิส่วนบุญของเราให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายนะตั้งใจยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาพลังเอวามีวาวิโตทินังเปตานังอุกปการปติอิชิตังปฏิตังตุมพังคิประเมวาสมิฉตุ สัพเพกูเรนตูสังกปาะันโทพนรารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโภควะอาภิวาธนาสีลิสนิจังหุทาปจจายิโนจักตารโรธรรมมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง